วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำเดือนสองเพนปีสี่เก้าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เคยทำมาทุกวันพระแต่แต่ริเริ่มสร้างวัดมาก็ได้ทำมาตามลำดับไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาฟังแนวความคิดบางทีหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดจากนั่นก็ได้ทางฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาพวกเราจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ยินได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาด้วยตนเองหรือไม่ได้ฟังเทศแต่ทุกวันนี้ก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องที่จะพี่พวกเราจะต้องได้ศึกษาไม่เหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็เข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตนเองรักเคารพนับถือจะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองได้ก็เข้าไปศึกษา แต่ทุกวันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันแต่ก็มีแนวแถวที่จะต้องในศึกษาหลายลอย่างอย่างเทปซีดีหนังสือธรรมะเหล่านี้ตลอดถึงพระไตรปิดกก็เป็นผลทางที่พวกเราจะต้องในศึกษาทั้งนั้นแต่ว่าแต่ถึงอย่างไงก็ต้องเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ เพื่อจะได้รู้แนวทางท่านพาปฏิบัติอย่างไรอยู่ในตำรับตำราถึงจะถึงท่านจะพูดในตำรับตำราก็จริงแต่ว่าแนวแถวที่พวกเราจะปฏิบัตินั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างพวกเราออกไปทุดงในป่าอย่างนี้ออกไปยังไงก็ต้องมีผู้รู้เป็นผู้นำพาปฏิบัติ ออกไปอยู่สักครั้งหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ป่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ทําร้านอย่างนี้ทําทางใดอย่งกรมอย่างนี้ไปบินธบาดอย่างนี้ที่นั่งฉันทําอย่างนี้อไปอยู่บริเวณอย่างนี้ต้องใกล้น้ําอย่างนี้อาบน้ําอย่างนี้ถีล้างน้ําที่ฉันน้ําอย่างนี้เหล่านี้คือจะต้องได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาคิดคิดไปอยู่เอาเลยไปอยู่ในที่เนินสูงเอาเลย และท่นนี้ต้องการน้ำจะหาน้ำที่ไหนมีปัญหาชาวบ้านตักน้ำหาน้ำมาขนให้เป็นภาระจะไปภาวนาจะหาความสงบไม่ได้เท่าที่ควรเพราะนั้นมันจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้รู้ก่อนที่ท่านปฏิบัติมาก่อนท่านพาดำเนินอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามแถวแนวที่เราได้ศึกษามา อันนี้ก็เหมือนกันในหลักโบราณคก็ว่าเรียนตามพ่อก่อตามครูไปว่าศึกษาตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมานานท่านพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้ศึกษาจากนั้นก็นำมาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขการกระทำของเราอันนี้ไปว่าผู้มาศึกษา การศึกษากับครูบาอาจารย์แต่บางสิ่งบางอย่างในความเห็นของเราเราก็ไม่สนิทใจแต่ท่านพาทำเราก็เราก็ดูแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่เรายอมรับเอารพนับถือท่านพาอย่างทำยังไงเราก็ตายใจสนิทใจในการกระทำของครูบาอาจารย์แต่ถึงเราจะ ไม่เฉลียวฉลาดหรือเรายังไม่ลงใจแต่ก็เราศึกษาเราก็ต้องดูอีกสักวันหนึ่งเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเข้าไปถามท่านพร้อมที่จะเพราะว่าเราเป็นผู้มาศึกษาจะต้องเข้าไปถามไถ่ท่านว่าเรื่องนี้กรับผมได้คิดอยู่ไม่สบายใจอแล้วครูบาอาจารย์ทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้พาดําเนินอย่างนี้เป็นยังไงครับผม ก็จะได้ชี้แจงให้เราได้รับรู้รับทราบเพราะเราเข้ามาศึกษาถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องถามไทยจากครูบาอาจารย์ที่เราจะมอบกายถวายเป็นสิทธิ์ของท่านอันนี้ก็คือสิทธิ์กับครูครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ขว้างเอาแต่ทิฏฐิมานะของตัวเองเข้าไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้ ไม่ใช่ผู้เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทิฐิมานะความเห็นของตนเอาไว้ก่อนอย่าไปขวางท่านแต่ถ้าว่าตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาเมื่อไรเราจะค่อยคิดกันอีกว่าเอออยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้เออเราเข้ามาเราจะปรับปรุงแก้ไข จังไรของเราที่ให้มันยิ่งกว่าเหนือกว่าที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาให้แข่งกว่าเด็ดเดี่ยวกว่าอันนั้นแปลว่าเราปรับปรุงแก้ไขแต่ข้อสำคัญอย่าให้มันหย่อนกว่าท่านเองอย่าให้มันหย่อนกว่าครูบาอาจารย์แต่ทำท่าแข่งตัวหนึ่งแต่ไปหย่อนอีกตัวหนึ่งไอตอนที่มันหย่อนตัวที่มันหย่อนเป็นตัวที่สาคัญอีกต่างหา แต่ทำทา่าแข่งไปทางอื่น <S <S แต่ว่าการหย่อนปล่อยปะละเลย <S <S ในการถือธุดงในการเป็นอยู่ในการฉันชอบโม้ชอบคุยไม่มีเวลาเวลาสิ่งเหล่านี้โดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทำตนให้เป็นเป็นที่สบายใจ ของครูบาอาจารย์เป็นที่สบายใจของเราเวลาจะไปที่ไหนจะออกไปต้องดูซะก่อนว่าการออกไปในครั้งนี้เป็นยังไงถ้าออกไปเพื่อภาวนาว่าจิตใจของเราในช่วงนี้มันจำแย่จะต้องออกไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเอาอยัางเด็ดเดียวไปภาวนาอย่างเดียวเพราะว่าเราจะต้องสู้ กับใจตัวเองแล้วข่าวนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดแต่ถ้าว่าเราไปแต่ครูบาอาจารย์วัดวาศาสนายังมีความจำเป็นอยู่แต่ตัวเองออกไปโดยที่ไม่คิดไม่อ่านอันนี้แปลว่าเหมือนกับวัวควายที่ใส่แอกใส่ไถ พอเป็นถึงที่คับคันมาสลัดแอกทิ้งอย่างนี้แปลว่าใช่ไม่ได้บวกควายตัวนั้นเพราะนั้นลกสิทธิ์ลูกหาก็เหมือนกันถ้าออกไปแล้วจะได้กำลังก็ควรจะออกไปถ้าออกไปแล้วจะเสียไม่ควรออกไปถ้าออกไปก็เท่าเดิมอยู่ที่ดี่ก็เท่าเดิมเมื่อออกไปก็ไม่คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นอันนั้นควรจะอยู่ อันนี้คือการอยู่กับครูบาอาจารย์ผมอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะว่าไปแล้วเป็นเวลายี่สิบสี่ปียี่บห้าปีอยู่กับหลวงตาสิบสามปีวัดป่าบรรตัดอยู่กับหลวงปู่แหวนพันศาหนึ่งอยู่หลวงปู่จามสองอยู่กับหลวงปู่ล่าเก้าให้พวกท่านทั้งหลายนับดูกันแล้วกัน การศึกษาและการเป็นการอยู่จึงได้ออกมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ในที่นี่ก็เถอะก็อยู่นั่งอยู่ในโอวาทมองครูบาอาจารย์มององค์ลุงตาที่เป็นแนวแถวที่ท่านพาปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือการอยู่กับครูบาอาจารย์มีอะไรเข้าไปไถ่ถาม ไปศึกษาตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาแต่ถึงยังไงก็ให้อยู่ในหลักธรรมวินัยอยู่ในแนวแถวที่ท่านพาดำเนินอย่าออกนอกลู่นอกทางในเรื่องการเป็นอยู่เรื่องหมู่พวกเพื่อนบางสิ่งบางอย่างหมู่พวกเราจะไปหรือจะอยู่อยู่ก็อยู่ไม่คิด เวลาจะไปก็ไปแบบไม่คิดเป็นไปแบบไม่คิดไม่อ่านจะอยู่ก็อยู่แบบไม่คิดไม่อ่านจะทําสิ่งไหนก็ตามทําแบบไม่คิดไม่อ่านแล้วครูบาอาจารย์จะไว้วางใจได้อย่างไรที่เป็นครูบาอาจารย์นีต้องมองไม่ใช่แต่พวกท่านทั้งหลายมองอาจารย์เนีะอาจารย์ก็มองสิทธิ์เหมือนกันพวกนี้ท่านนี้องค์นี้จะไว้ใจมากน้อยอย่างไรแค่ไหน ครูบาอาจารย์ต้องมองหมดทุกด้านถ้าไม่อย่างนั้นท่านไม่เป็นครูบาอาจารย์ของเราหรอกท่านต้องมองรอบด้านท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ท่านก็ไม่ได้ตั้งอุปถักท่านก็องไหนจะเข้ามาประถากุปธรรมประถากท่านก็อุปถักบางปีบางครั้งสัมมาเอนเป็นผู้อุปถัก ท่านก็มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มีปัญหาท่านไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆบางครั้งพระพุทธองค์ก็ไปองค์เดียวบางท่องก็ไปสององค์สามองค์บางทีก็เป็นเป็นห้าร้อยเป็นพันก็มีแต่ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ไปกับท่านเมกขิยะพระเมกิยะกับพระพุทธองค์ ไปด้วยกันภาพเมกิยะเป็นผู้ถ่ายบาทพระพุทธเจ้าแต่ช่วงนั้นพระพุทธองค์ก็อายุขึ้นมีอายุมากขึ้นมาพอสมควรแล้วจำไม่ผิดในพระไตรปิฎกวพระพุทธองค์อายุสี่สิบห้าที่ท่านได้มีอุปถัก์อายุสี่สิบกว่าปีที่ท่านเดินทางไปครับพระเมกิยะ พอถึงทางไปถึงทางสองแผงพมีคิยะเกิคิดขึ้นมาในใจว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ไหนกรุงสวัสดีกะผมนอยากจะไปภาวนาที่ป่ามะม่วงอีกป่าหนึ่งเพราะสถานที่นั่นเป็นที่สกบสงัดดีกะผมอยากจะขอไปภาวนาที่นั่นไปถึงทางสองแผงพระพุทธองค์บอกว่าเมคียะ อย่าเลยเมียคียะเราตถาคตมีธุระที่จะไปโปรดหรือไปแสดงธรรมอยู่ในเมืองอีกอีกเมืองหนึ่งท่านไปส่งเราซะกอ่อนไปถึงที่นั่นแล้วท่านจะจะไปที่ไหนท่านยังค่อยไปแต่พระเมีคียะบอกว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาที่นั่นเพราะฉะนั้นถานที่นั่นสงบสงัดดีจับปายะพระเจ้าค่ะ พระพระองค์จะขอไปภาวนาที่นั่นจะไปปฏิบัติที่นั่นพระพุทธองค์แบบขอร้องหรือว่ากล่าวย้ำถึงสองสามครั้งแต่พระเมขิยะก็ยังยืนยันพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมขิยะวางบริขารไว้ตรงนั้นละ่ะพระเมขิยะวางบริขารลงในทางสองแผงจากนั้นก็เดินแยกไป พระพุธอง์ก็ได้เอาบบริขารตะพายขึ้นบ่าเดินออกไปนี่แหละสาเหตุที่พระพุธองประกาศหาพุทธอุปถ์จากนั้นพระเมขียะท่านก็ไปภาวนาไปสถานที่ป่ามะม่วงอย่างที่ท่านตั้งใจแต่พอไปภาวนาได้ชั่วระยะหนึ่งมันไม่ถึงชั่วระยะเลยไปถึงวันนั้นกะพอไปภาวนาแล้วความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นในใจทําไม พระพุทธองค์ไปองเดียวทำไมเราจึงมาภาวนาที่นี่ทำไมเราเราจึงทำอย่างนี้เราทำไมไม่ไปส่งพระพุทธเจ้าซะก่อนเราจึงทำไมเราจึงมีทิฏฐิมานะถึงขนาดนี้เราทำไมจึงมาอย่างนี้เราทำไมจึงให้พระพุทธองค์ลำบากอย่างนั้นเมหิยะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาจะภาวนาได้อย่างไรเนีเพราะว่าการกระทำของตัวเองไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็ตามไปกราบพระพุทธเจ้าไปก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าข้าพระองค์ได้กระทําที่สิ่งนทไม่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ถือโทษโกรธเคืองแกใครทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์เห็นว่าพระพุทธองค์มีอายุแล้ว ท่านก็ประกาศให้สงมาประชุมกันมีพระโมกขามีพระสารีบุตรพระมหาเถรผู้ใหญ่เข้ามาพร้อมกันพระพุทธองค์ประกาศว่าดูก่อนสงทั้งหลายดูก่อนสงทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่วัยชราอายุของเรามากแล้วพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่ายังไง จะให้ตถาคตไปตามลำพังอยู่ตามลำพังจะถูกต้องไหมหรือจะมีผู้ดูแลอุปถัมปะถะดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลบริขารของใช้ของเราหรือว่าจะให้สงทั้งหลายมีความเห็นว่ายังไงเพราะเรื่องที่ผ่านมาไม่นานนี้เราเดินทางกับเมขียะ พอมาถึงทางสองแผงเมคิยะเขาก็จะเดินจะไปภาวนาจะไปปฏิบัติในสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้วางบริขารของเราลงในทางสองแผงจากนั้นก็จะแยกย้ายกันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ส่งเราตถาคตถึงที่ซะก่อนจะไปที่ไหนหรือว่ามีผู้รับ แต่นี้เมขียะได้กระทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสงทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นอันนี้พระพุทธองคจ์จะว่าท่านขอร้องก็ใช่จะให้สงพิจารณาก็ใช่จะให้สงมีความเห็นว่าอย่างไงมันเรื่องมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้สงทั้งหลายก็ก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ได้รับโอาวาทจากพระพุทธเจ้าได้รับพระธรรมคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นสงฆ์ได้ก็คือด้วยความรักเคารพนับถือศรัท ธ, ธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนพระธรรมคือคําสั่งสอนพระองค์สง์เหล่านั้นก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวแถวจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลทีนี้พอพระสงฆ์ได้ยิน ระษาีบุรนั่งกระยองปนมมือพระพุทธเจ้ า, าค่ะในเมื่อพระพุทธอ ง, งค์เป็นพระบิดากระผมเป็นลูกผู้ใหญ่เป็นอัครสาวกของพระพุทธองค์เป็นลูกผู้ใหญ่เป็นพี่ใหญ่กระผมพร้อมที่จะเป็นพุทธอุปถาทุกอย่างเพราะ เรื่องทั้งหลายต้องเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยสารีบุตรยังไม่ใช่ท่านที่จะเป็นพุทธอุปัฏฐาเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งกับเราตถาคตเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนกับท่านองค์อื่นแต่นี้พอพระสาริบุตรนั่งพระเพียบลง พระโมคขลานั่งกระยงปโนมือขึ้นอีกพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เมื่อท่านสริบุตรเป็นพี่ชายใหญ่พระพุทธองค์ยังว่าไม่เหมาะสมข้าพระองค์เป็นน้องพร้อมที่จะเป็นพุทธุปถัาพระพุทธองค์ยินดีรับใช้พระพุทธองค์ทุกอย่างขอพระองค์จงรับข้าพระองค์เป็นพุทธอุปถัาตัวเถิดพระเจ้าค่ะ พระองค์บอกว่าอย่าเลยโมฆคลาท่านยังไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นพุทธอุปถาเธอใช้รับหน้าที่อย่างอื่นมีอีกมากที่จะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนจากนั้นมาก็มีพระอนุรุทธะพระกัจปะอ克ะสาวกในยุคนั้นที่เข้ามาประชุมแสดงความจำนงที่จะเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจา้าปฏิเสธหมด ท่านมองเห็นแล้วว่าผู้ที่จะเป็นอุปถากนั้นคือใครเขาตั้งความปรารถนาไว้ในพระพุทธเจ้าองคกอ์ก่อนมีอยู่แล้วแต่นี้ก็คือเมื่อพระองค์จัพระสงฆ์ทางหลายแสดงความจำงอย่างนั้นแต่พระ อ, อ น, นุนิ่งเฉยไม่ว่าอะไรแต่องค์อื่นแสดงความจำงแต่พระ อ, อ น, นุนไม่พูดคือพระ อ, อ น, นุนเป็นพระอนุชา เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจา้าคือพ่อของพระพุทธองค์กับพ่อของพระอนุนเป็นสองพี่น้องกันสุดโททนะสุโกโธนะโทโตทนะอเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันถ้าจะว่าไปแล้วพระอนุนก็คือลูกผููน้องน้องชายของพระพุทธเจา้าแต่ลูกคนละพ่อลูกของอ่าแต่พระอนุนก็เฉยไม่ได้แสดงความจำหนงอะไร พระสงฆ์ก็บอกว่าท่านอนุนยังเหลือแต่ท่านที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงที่จะเป็นพุทธอุปถาัาขอให้ท่านอนุนแสดงความจำนงเถอะครับผมพระอนุนก็กราบพระพุทธองค์ขึ้นว่าถ้าว่าจะให้ข้าพระองค์เป็นพุทธอุปถาเนี่ยข้าพระองค์ต้องขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพรแปดประการ จากพระพุทธเจ้าถ้าพรธองค์ประทานพอนให้ข้าพระ อ, องค์จะเป็นผู้ดูแลจะเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอาโนนที่ท่านขอนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่ในหลวงพ่อก็จำไม่ชัดเจนแต่ยกประเด็นมาเป็นเป็นบางประเด็นให้ฟังนะพระ อ, อาโน์บอกว่า ขอพระพุทธองค์อย่าให้อาหารอันปราณีตแก่ข้าพระองค์คืออาหารดีๆบางะอย่าให้อาหารปราณีตแก่ข้าพระองค์พระพุทธองค์ก็ถามว่าทำไมท่านจึงจึงจึงขอพรอย่างนี้เพราะว่าคนต่อไปภายภาคหน้าเขาจะดูถูกข้าพระองค์ได้ว่าที่ท่านอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะั ที่พระอานลประถานพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดเนี่ยพราพระอานุ์อยากจะกินของดีพรพระอานุตา์ตระการในอาหารเพราะนั้นข้าพระ อ, องค์ไม่จะไม่รับอาหารอันปรามีดจากพระพุทธองค์เออเอาต่อไปอย่าให้จีวออันปราณีดแก่ข้าพระ อ, องค์ก็เหมือนกัน อ, อ, อย่านําข้าพระ อ, องค์ไปในเวียงในหวัง ต่อไปภายภาคหน้าเขาจะว่าพระ อ, อนนุ์อยากจะมักใหญ่ไฟสูงอยากจะติดตามพระพุทธเจ้าไปในเวียงในหวังเพราะนั้นในข้าพระองค์กลัวเขาจะพูดดูถูกเออเอาพูดไปเมื่อข้าพระองค์อยู่ตามลําพังเมื่อพระองค์เสด็จไปในสถานที่อื่นมีศรัทธาญาติโยมเข้ามากราบพระพุทธองค์แต่ไม่เจอแต่มาเจอข้าพระองค์ บอกว่าท่านอานอนท์พระพุทธองค์ไม่อยู่ข้าพระองค์จะมานนมนฑ์พระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่อยู่กระผมขอการาบลาธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมหรือไปฉันพรตาหารในเวียงในวังในวงศสกุลของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์พิจารณาดูแล้วเหมาะสมที่เขามานมนมณฑ์นั้นกระผมจะรับรับไว้ แต่เมื่อมาเมื่อรับไปแล้วเมื่อพระ อ, องค์เสด็จมากระผมจึงกราบบรรณาพระพุทธองค์พระพุทธ อ, องค์ต้องรับที่ข้าพระ อ, องค์ได้พิจารณาถูกต้องแล้วพระพองค์ต้องรับการนิมนต์นั้นจากข้าพระ อ, องค์อีกอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาญาติโยมเขามาหาข้าพระ อ, องค์เขาบอกว่าท่าน อ, อ น, นุนใกล้พกะเชษฐพระพุทธเจ้ากว่าจริงอยู่ไม่มีสิทธิ์มีสมอะไร ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะกราบพูนพระพุทธเจ้าได้ขนาดให้กราบพูนพระพุทธเจา้าของงอไม่กล้าที่จะพูดพูดก็ไม่มีศักด์รีพระพุทธเจ้าก็าไม่ไม่เห็นความสําคัญนะอันนี้ข้าพระองค์ขอากาบประรณาพระพุทธองค์ไปตามที่ข้าพระองค์ได้รับนิมนต์ไว้แล้วเออเอาว่าไปเมื่อพระพุทองค์ไปแสดงธรรมอยู่ณสถานถิ่นใดเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ไปด้วย เมื่อแสดงธรรมมาแล้วพระพุทธองค์ขอให้แสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ฟังอีกรอบหนึ่งว่าไปวันนี้เราไปพบคนนั้นเราได้แสดงธรรมบทนี้บทนี้บทนี้ให้เขาฟังมาแสดงธรรมให้พระอา น, นุ์อีกรอบหนึ่งฟังสะก่อนให้ข้าพระองค์ฟังเพราะเหตุว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพุทธองค์ไม่มีแล้วเขาก็จะถามบาทน อ, อ น, นุ์ท่านอานนุ์ ใกลชิดพระพุทธเจ้าวกว่าอย่างนั้นละ่ะพระพุทธองค์ไปเทศศาสนาสิใดพระโหนก็ไม่รู้เรื่องถามเลยสิพระพุธองค์ไปเทศที่นั้นไม่รู้เรื่องเพราะนั้นข้าพระองค์จะเป็นที่ตำหนิเขาต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพระพุทธองค์จะแสดงธรรมอยู่นะ ท, นทิ่ใดที่ใดบุคคลใดกลับมาแล้วขอให้แสดงธรรมให้แก่ข้าพระองค์ฟังเอออ่าว่าไป เมื่อข้าพระองค์ข้องใจในธรรมหรือว่ามีความในใจในธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเรื่องอะไรก็ตามข้าพระเจ้ามีความในใจพระพุทธองค์ถึงจะอยู่ตามลําพังจะหลับจะนอนจะอะไรก็ตามข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ให้เข้าไปหาได้ทุกเวลาเพื่อจะไปถามปัญหานั้นพระพุทธองค์เออเอาได้ นี่แหละหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่หลวงพ่อจําจําไม่ได้แต่สรุปแล้วก็คือร่วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์ต่อพระอานุ์เองต่อชวนรวมเองต่อพระพุทธศาสนาเองเพราะฉนั้นที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วขาดพระอานนุ์ไม่ได้พระอานุ์ต้องไปผู้รับรู้รับทราบทุกอย่างในการเคลื่อนไหวเหมือนกับเงาเทียมองค์ ออกไปที่ไหนก็พระพุทธองค์ไปที่ไหนก็เหมือนกับมีเงาอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์ไปที่ไหนก็ต้องมีพระอนุน pant. ติดตามไปด้วยอันนี้หละอันนี้ก็คือพระพุทธองค um ์ประกาศพระศา ส, สนาเป็นมาอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวแนวหนึ่งแนวความคิดหนึ่งในการเป็นอยู่หนึ่งการบริหารจัดการอย่างหนึ่งในในครั้งพระพุทธเจ้าแต่บางครั้ง พระอนุลท่านก็ปฏิเสธอีกเหมือนกันนะไม่เอาพระอนุ์ไปด้วยอย่างที่เมืองโกสัมพีที่หลวงพ่อเคยพูดในเทปพระสงฆ์ทะเลาะกันแตกเป็นสองฝ่ายเรื่องพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรตอนนั้นพระอนุ์ก็อยู่ในนั้นแต่ท่านไม่เอาพระอนุ์ไปด้วยคือส่วนลึกแล้วคือท่านอยากจะให้พระอนุ์เป็นผู้ประสานสองฝ่ายในเมื่อเขายอมแล้วไม่มีท่าไม่มีพระอนุ์ เขาก็ไม่รู้จะทำไงเงไกเก๊กกลางๆพุทสุภาย ไ, ไม่กล้าที่จะทำอะไรพลทสุขก็เลยแตกเป็นคนละทิศละทางแต่นี้เมื่อพระอนนยังเป็นผู้ตัวเชื่อมได้อยู่พระพุทธองค์ก็เจดดตไปตามลำพังไปอยู่ที่อยู่กับช้างป่าเลไลตามลำพังจากนั้นพระสง์ก็เห็นโทษเพราะศรัทธาญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรเขาไม่เคารพนับถือ ผลที่สูงก็ยอมยอมกันเองเ <c oughs> พราะม่มีอาหารจะฉันไม่ยอมได้ยังไงหมู่เขาไม่ใส่บาตรเขาบอกว่าขณะพระพุทธเจ้ายังทรงพรชนอยู่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแทๆ้ๆพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกแทๆ้ๆยังไม่ฟังพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันทํำไมพระหัวดื้อเหล่านี้เพระจาตโจงเขาไม่ใส่บาตรให้ฉันยอมอุกเลยทีเพรไม่ได้กินข้าวอพวกอาตมายอมละ สามัคีกันแล้วมีความเห็นปองดองกันแล้วอืมประกาศให้ญาติโยมทราบจากนั้นญาติโยมก็กใส่บาตรจากนั้นก็จะจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระนรนบอกว่านี่ในพรรษาอยู่ออกพรรษาซะก่อนพระอานรนจะเป็นผู้พานำนะท่านก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันบริหารจัดการว่างั้นเ่อะอย่างนั้นพอออกพรรษาเสร็จแล้วพระนรนก็นําพระสงฆ์เหล่านั้นที่แตกเป็นสองฝนะ่าย ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อยู่ตามลำพังสามเดือนสามเดือนกว่านในพรรษาออกพรรษาแล้วอยู่กับช้างเป็นผู้ประถากกับปลิงเท่านั้นแหละดูแลพระพุทธองค์นี่แหละการที่พระพุทธองค์มีความเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นพระพุทธองค์เป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาจึงเสียสละออกไปอยู่ตามลำพังขนาดนั้น อยู่กับช้างอยู่กับปลิงอันนี้เป็นการแสดงความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะที่ได้ยินได้ฟังเป็นพระเนะี่ยอย่าไปหงอถ้าไม่ถูกตามหลักธรรมวินัยแล้วอย่าไปปวกเปียกต้องเข้มแข็งพระพุทธเจ้าพาเข้มแข็งมาพอแรงเห็นไหมเป็นยังไงอยู่คนเดียวก็อยู่ตายเป็นตายเราไม่ต้องพึ่งหวังใครทั้งหมด ต้องอยู่ตายมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นนี่แหละคือหน้าที่ของพระที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นพุทธังสารนางคัตฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราทำมังสารนางคัตฉามิเข้าไปเจ้าถึงพระพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นชนะเป็นที่พึ่ง สังขังสารานางคฉาไม่ข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอารหันต์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดอย่างอื่นยึดพุทธทางทำมังสังขังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วพวกเราจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถึงจะอดถึงจะอิม่มถึงจะยากจนยังไงจิตใจของเราก็ ชุ่มชื่นเบิกบานด้วยอัดด้วยทำรรไะนั้นการปฏิบัติธรรมพวกเราอย่าอ่อนแออย่าปวกเปียกอย่าไหลาไปตามโลกต้องเป็นตัวของตัวเองต้องยึดมั่นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรถึงจะอดถึงจะอิ่มถึงจะงร่ํารวยยังไงก็อย่าไปลืมตัวอย่าไปหลงตัวอย่าไปลืมตัวอย่าไปมัวเมากับ สิ่งภายนอกเพราะสิ่งเราภายนอกเหล่านั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเอาไปด้วยไม่ได้หรอกไม่ใช่เนื้อใไฉนังของเราเป็นดินเหนียวติดหัวของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปหลงอย่าไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นถ้าหาว่าพิจารณากายตัวเองอยู่เสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่ง เราจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาทิ้งเรื่องเหลือแต่กระดูกถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เสมอความร่มหลงในลาบก็ดีในยศก็ดีในสรรเสริญของคนก็ดีในสุขเล็กๆน้อยๆสุขภายนอกที่ได้มาด้วยปัจจัยสี่ก็ดีมันจะไม่หลงมันจะหลงได้ยังไง ร, ร่างกายนี้จะต้องเผาไฟทิ้งอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นคืออาศัยกายเหล่านี้กายเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละถ้าว่าผู้พิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายตัวเองอยู่เสมอพวกเราจะไม่หลงอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่หลงรู้เท่ารู้ทันมีก็รู้จักมีจนก็รู้จักจนรวยก็รู้จักรวยคนยกย่องก็รู้จักยกย่องลมปากของเขา เขานินทาเ็าลมปากของเขาดูตัวเองอยู่เสมอเราในบกพ้่องไหมถ้าเราบกพ้่องเราก็ปรับปรุงแก้ไขการกระทาของเราให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าก็แสดงว่าเราเลวเราก็ปรับปรุงให้ดีแต่ถ้าเราดีอยู่แล้วถึงเขาจะว่าชั่วช้าขนาดไหนเรามองตัวของเราเองเอ๊เราก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนตรงนั้นเขาพูดผิดแล้ว เราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเพราะเราทําตัวของเราดีเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ต้องเชื่อมั่นในการกระทําของเราเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนเองอย่าไปตามลมปากของเขาอย่าไปคิดตามทําตามอาเภอใจของตนเองการกระทําสิ่งไหนต้องยึดแนวแถว หลักพระธรรมวินยัยยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่ณสถานถิ่นใดก็ตามต้องยึดมั่นในหลักธรรมวินยัยเป็นหลักหัวใจพวกเราจะมีความตลมเย็ยนผาสุขอยู่ในใจไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ที่มันเกิดมันมีขึ้นหรือมันมากระทบกระแทกเราเพราะฉะนั้นพวกเราโดยมากโดยมากมันก็เจอโลกกระทำเข้ามาเมื่อไหรเป๋ไปทุกทุกครั้งทุกทีเพราะเหตุไรเพราะใจไม่มีหลักใจไม่มีแกนใจไม่ยึดมั่นในคุณงามความดีใจไม่ยึดมั่นในหลักธรรมวินัยใจมันไม่มุ่งมั่น ต่อมักผลนิพพานแต่ถ้าว่าเรามุ่งมั่นต่อมักผลนิพพานเราหวังบวชมาเพื่ออะไรเราบวชมาหวังอะไรเราบวชเข้ามาต้องการอะไรถ้าเราถามว่าคำไหนก็ออกมาว่าเราต้องการมักผลนิพพานต้องการพระนิพพานเท่านั้นหัวใจของเราสิ่งอื่นเป็นขี้ปฏิวติทั้งนั้น แต่ถ้าว่าพวกเราโมกหวังไปทางอื่นแล้วหวั่นไหวไกวแขว่งหาจุดยืนไม่ได้เป๋ไปเป๋ซา้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเป๋หลังพอนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นการอยู่เป็นนักบวชนักพรตนักบวชนักปฏิบัตทั้งหลายพะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้มุ่งมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ให้ภาวนาอยู่นสถานถิ่นใดอยู่ตามลาพัง พยายามเร่งความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาพิจารณาความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่หลงไม่ลืมตัวก็พร้อมการาให้มีสติการภาวนาในสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าว่าขาดสติเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละบขาดการภาวนาความรุ่มหลงกิเลสมันจะหลุงเข้ามาตีหัวใจของเราทันทีแต่ถ้าหาว่าเรามีสติอยู่กิเลสหน้าไหนตัวไหนมันจะเข้ามาเราก็รู้ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะตัวไหนเข้ามาเราก็มองได้เห็นได้เพราะเรามีสติอยู่เพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องจำเป็นสําคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัดสติอันนี้คือฝึกหัดสติให้เข้มแข็งในเมื่อเรามีสติดีแล้วเราอยู่ในอริยบทใดสติมันก็อยู่กับตัวของเรา เราก็จะรู้เห็นได้ใจของเราไววันไหวไกวแกลงหรืออารมณ์ตัวไหนเข้ามาเราจะรู้ได้สิ่งอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบเราก็รู้ได้หัวใจของเราไปกระทบสิ่งอื่นเราก็รู้ได้ทั้งภายนอกทั้งภายในตาไปเห็นลูกลูกเขาแสดงอาการอย่างไรเราก็รู้ได้ใจของเราไปวันไหวกับลูกที่เราเห็นเราก็รู้ได้เพราะเรามีสติ นี่แหละสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสาหรับนักปฏิบัติเพราะนั้นการฝึกสติทำยังไงเดินโยงกลมขาขวาพุทธขาซ้ายถูกนั่งภาวนาอย่างไงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกถูกนี่แหละวิธีการที่พวกเราจะต้องเอาให้จริงจังจากนั้นเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรนามาพิจารณาพิจารณาร่างกาย ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามสิบสองของร่างกายมีอะไรบ้างที่พวกเราได้สวดในท้องสาธยายแต่จะเป็นสวดแบบนกแก้วนกขนทองว่าไปก็ว่าไ ป, าาไปโดยที่ว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเอ า, า ก, กระดูกอย่างเดียวก็พอนะให้ไล่ดูสิให้พิจารณาดูสิที่พระพุทธเจ้าทว่ากระดูกของเรามีอยู่สามร้อยท่อนแต่แพทย์ยุคปัจจุบันเขาบอกว่ากระดูกแข็งอาจจะถึงสามร้อย แต่นับทั้งกระดูกอ่อนเข้าไปด้วยอาจจะกว่าถึงจะกว่าหรือจะเท่านั้นก็เถอนะก็คือกระดูกเท่านั้นเองอันเดียวเท่านั่นแหะกระดูกถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็คือกระดูกให้พิจารณากระดูกอันดับแรกกระโหลกศีรษะของเราเป็นยังไงอกําหนดดูกระโหลกศีรษะของเราดูกระโหลกศีรษะแล้วกระโหลกมันเป็นยังไงอมันเป็นตาโบวมันมีจมูกวีกมันมีฟัน มันมีขากันไกลเออมันติดกันยังไงให้เราไปเห็นถ้าเห็นกระดูกที่ไหนให้เราสังเกตกระดูกคอของเราเป็นยังไงกระดูกแขนของเราเป็นยังไงแขนขวาเป็นไงแขนซ้ายเป็นยังไงกระดูกข้อมือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงแต่ละนิ้วมันเป็นยังไงจากนั้นย้อนเข้ามาถึงกระดูกอกกระดูกหยปาละกระดูกสันหลังกระดูกชี้โคงกี่ชี้สั้นยาวยังไง ให้กาหนดดูตลอดถึงกระดูกเอวมันเป็นยังไงกระดูกเชิงการเป็นยังไงกดูกสะโพกเป็นยังไงกระดูกขาออกมายังไงกระดูกหัวเข่าเป็นยังไงกระดูกแข่งสองข้างมันเป็นยังไงกระดูกนิ้วเท้ากระดูกฝ่าเท้ามันเป็นยังไงดูให้ชัดเจนในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นโครงกระดูกเท่านั้นอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเราจะหลงเราจะรักเราจะรักอะไร เราจะหลงอะไรมันเป็นกระดูกทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้เข้าทั้งผู้แก่ทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งเป็นพระเป็นครวัตมีโครงกระดูกเป็นพื้นฐานทั้งนั้นให้พิจารณากระดูกเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วดูให้ดูให้ละเอียดกระดูกย้อนไปย้อนมาขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปพิจารณาขึ้นมา นั่งอยู่ให้พิจารณาทั้งหลายตลบหลายๆายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวพิจารณาหเห็นชัดเจนใจยอมรับว่าเรามีกระดูกไม้ค้างไนเรามีโครงกระดูกไม้ค้างไนเนี่ให้พิจารณ า, าอยู่อย่างนั้นทบทวนอยู่อย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างอื่นเราไม่ต้องพิจารณ า, นา เรื่องกำหนดลมทิ้งในขณะที่พิจารณาอย่าไปกำหนดลมปล่อยไว้เลยคือว่าทําต่างต่างกลัมต่างวาระในขณะที่จะทําจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อพิจารณาไม่ต้องกําหนดลมพิจารณาอย่างเดียวคิดอย่างเดียวใช้ให้คิดแต่อย่าให้มันออกไปนอกรูนอกทางอย่าให้คิดไปทางอื่นให้คิดอยู่ในกายให้มีสติอยู่ในกายให้มีสติในความคิดของเรา ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระโหลกศีศกรษะโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่อันนี้คือการพิจารณาวิปัสนาจะว่าวิปัสนาก็ใช่การพิจารณาอย่างนี้แหละว่าวิปัสนาแยกแยะให้ดูร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นเมื่อเห็นร่างกายของเราเป็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะต้องย้อนถมาถึงตัวใจของเราใคร เป็นคนรู้ว่ากระดูกที่เราเห็นกระดูกนะั้นใครเป็นคนรู้ว่าสมมติขึ้นมาว่าเป็นกระดูกใจใช่ไหมใจของเราลุ่มหลงกับกระดูกใช่ไหมลุ่มหลงกับร่างกายใช่ไหมลุ่มหลงกับผิวบางๆใช่ไหมลุ่มหลงกับรูปร่างกลางตัวของหญิงของชายใช่ไหมทีนี้บันยรอนก็มาถึงตัวใจ ใจของเราเนี่ยเป็นตัวการถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อพิจารณาแล้วมันจะโลงอะไร เ, เหมือนกับเอาจับกระดูกของสองโครงมาสิกระดูกหญิงกระดูกชายออมาแหละจับแขนกันเป็นไงเอามาจับใส่แขนกันนึกซเป็นไงกระดูกต่อกกระดูกถ้าไม่มีเนื้อหนังถ้าไม่มีใจเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนั่นแหละมันมีแต่กระดูกเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นกิเลส ต, ตัวไหนจะเข้ามา เยียบย่ำหัวใจของเราได้กิเลสลาคะมันก็ไม่เกิดกิเลสโทสะไม่รู้จะโกรธไปทำไมกิเลสโมหะไม่รู้จะหลงไปเพื่ออะไรเนี่ยให้พิจารณาถึงตามสามขยับคืออันดับแรกทำจิตให้สงบมีสติอันนี้คือสำคัญเบื้องตน้นจากนั้นเมื่อสติของเราเป็นพื้นฐานพิจารณา ยกตัวอย่างวันนี้พิจารณากระดูกแต่เราพิจารณาธาตุสี่ก็ได้พิจารณาสุภาษิตส่วนร่างกายตับไตลำไส้อ่า อ, อาการสามสบสองม้ามหัวใจตับพังผืดสมองอะไรก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงจุดนั้นพูดเฉพาะการพิจารณากระดูกถึงจะพิจารณากระดูกก็เถอะมันก็อยู่ในร่างกายอันนี้เหมือนกันเหมือนกับ เราพิจารณาไหนมันก็วิ่งไปหาการทั้งหมดสรุปแนละ้วก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นของอสุภะเป็นของที่ไม่มั่นคงไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายแน่แตายเปื่อยเน่าลงสู่ดินน้ำลงไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือการพิจารณากายถึงจะพิจารณากายก็จริงแต่ย้อนเข้ามาหาตัวใจตัวผู้รู้ที่เราไปลุ่มหลงมัวเมานั้น ไปลวนเป็นลุ่มเหลงลุ่มหลงมัวเมากระดุกใช่ไหมลุ่มหลงร่างกายที่เป็นอสุภะปฏิกูลใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัวตนของเราใช่ไหมร่างกายอันนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้ถามใจของตัวเองในเมื่อถามใจตัวเองใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกในการ เข้าใจแล้วจิตใจมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้คือคือมันคื อ, คอใจของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับมเมล็ดข้าวมันไมล็ดข้าวเปลือกถ้าเรากระเทาะออกซะแกะเปลือกมันออกมันมีแต่ข้าวสารจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าว่ายังมันยังมีกระเบือกอยู่มันยังมีเชื้ออยู่ในนั้นเออมันก็พร้อมที่จะเกิดได้อีกถ้าดินฟ้าอากาศเหมาะสมแต่ถ้าว่าเราแกะไปแล้วถึงจะดินฟ้าอากาศเหมาะสมยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุไลไยเพราะทําลายเชื้อมันหมดแล้วแกะกระเทาะเปลือกมันออกแล้วมีแต่ข้าวสารจะไปปลูกโลกพระทิพยจันทร์ประเทศไหนวิทยาศ า, ศาสตร์เก่งขนาดไหนะไปปลูกถ้าปลูกข้าวสารมันไม่เกิดทั้งนั้นแหละ แต่มันก็ไม่ศูนย์มันเป็นอยู่อย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจใจของเราอีกสักวันหนึ่งมักผลนิพพานเป็นของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นอย่างอื่นและการพูดการแสดงธรรม ก็เห็นว่าพอสมควรเอาต่อในี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ